วิช า, ชาธรรมกา ย, รรกายเป็นขอ ง, ของจริงอยากทราบว่าผู้ที่ต้องการแก้ต่างให้วิชาธรรมกายและธรรมปฏิบัติของหลวงปู่เขาเอาภูมทำอะไรมาวิเคราะห์วิชาธรรมกายไม่ใช่สิ่งที่จะมานั่งตรึกตรกึนึกนึ ก, น ก, นกคิดคิดรู้ตรึกรู้นึกรู้คิดต้องรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิด วิชาธรรมกายเป็นของจริงเป็นของแท้ไม่ใช่ของปลอมจะกลัวไปใหญ่กับคาวิจารณ์ของชนผ่านวิชาธรรมกายเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของพระอริยะเจ้าเป็นธรรมของบัณฑิตของสัตบุรุษไม่ใช่ธรรมของ่านชนแม้ในสมัยที่พระบรมศ า, ศาสดายังมีพระชนอยู่ ทรงประกาศธรรมสั่งสอนสัตว์ด้วยพระองค์เองพวกผานชนพาหริรัลธิมันยังด่าว่าพระพุทมศาสนาไม่ยอมรับคำสอนของพระองค์ตั้งตนเป็นศัตรูต่อพระพุทธศาสนาพระองค์ไม่เคยสะดุ้งวันไหวแม้แต่น้อยหลวงปู่ได้ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทของพระสัมมาสัพทธเจ้ามาตลอดเจอมาสารพัดรูปแบบ ไม่เคยวันไหวแต่ทําไมสิทธิหลวงปู่เจอเพียงน้อยนิดกลับวันไหวต่อคําของชนพานด้วยเล่าหลวงปู่ไม่ต้องการทนายแก้ต่างให้กับตัวของท่านแต่ท่านต้องการทนายแก้ต่างให้แก่พระพุทธศาสนาตั้งหากแต่สิทธิของหลวงปู่ไม่เคยปฏิบัติตามเลยสักนิดเดียวเมื่อเจอเหตุการณ์ที่เลวร้าย นี่คือบทพิสูจน์นิธานของพวกเราทั้งหลายพระพุทธศาสนาธรรมะสั่งสอนของพระบรมศรราสดาแต่ดั้งเดิมที่พระองค์ทรงมีพระชนทีปอยู่นั้นเป็นเอกภาพไม่มีการแตกแยกพระธรรมของพระองค์ที่ทรงแสดงนั้นแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือหนึ่งพระธรรมที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาติ 2. พระธรรมที่เป็นไปเพื่ออนุคระห์โลกเพื่อการบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อความตัศน์รู้เป็นพระสัมมาสัพทธเจ้าในอนาคตเป็นแนวทางของพระโพธิสัตว์เพื่อจะผลสัตว์ข้ามโอเะสู่ฝั่งพระนิพพานในครั้งพุทธกาลสาวกของพระสัมมาสัพทธเจ้าจะแบ่งได้ใหญ่ๆออกเป็นสองกลุ่มคือหนึ่ง ผู้บำเพ็ญอริยามรรคอริยผลเพื่อพระนิพพานในปัจจุปนชาติคือเหล่าพระอริยเจ้าสองผู้บำเพ็ญบรมีเพื่อความสำเร็จเป็นพระสัมมาสัพพะเจ้าในอนาคตคือเหล่าพระโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์ก็เคารพในพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าก็เคารพในพระโพธิสัตว์ทั้งสองส่วนมีธรรมยินไหเดียวกันไม่ได้แตแกแยกกันไม่ได้ข่มกัน ร่วมการประกาศพระศาสนาต่อมาในยุคสมัยหลังเพราะกิเลส ข, ของพวกปุถุชนที่หลงผิดโดนมารเขาสอดละเอียดยุโยงต่างๆนานาจึงเกิดการแตแกแยกแบ่งพวกออกเป็นหินยานหรือเทรวาสกับพวกมหายานทะเลาะกันข่มกันจนรวมตัวกันไม่ติด งานที่หลวงปู่ได้รับมอบหมายให้ลงมาแก้ไขและประกาศพิชาธรรมกายก็คือ 1. ประกาศพระสัวทคํารรดั้งเดิมของพระบ ร, รมศาสด า, า, าทั้งส่วนของพระอริยาสาวกและส่วนของพระโคติสัตบมเพนบรมีเพื่อความสมเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต 2. แก้ไขไ ภ, ภัยพิบัติต่างๆของโลกและของสัตว์โลก 3. รักษาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจะทำเช่นนี้ได้ก็ต้องรบ ก, กับมารเพราะมารเขาทำในทางตรงกันข้ามนี้ขอให้ทราบด้วยว่าวิชาธรรมกายไม่ใช่ของตื้นตื้นไม่ใช่ของพอดีพอร้ายบำเพ็ญได้ถึงความเป็นสัพพันยุตยานคือรู้ในทุกสรรพสิ่งสพรพพวิชาการถ้าคิดจะเป็นทนายแก้ต่างให้พระศาสนา ก็ต้องเปิดเผยธรรมทั้งสองส่วนไม่มีเทรวาสไม่มีมหายานดยในใจมีแต่พุทธาเอกยานเท่านั้นถ้าทำแบบคนขาดเขา่าเบาปัญญากระวิดกระเมียนกลัวมานก็อย่าทำอยู่เฉยเสียดีกว่าเพราะสัตว์ธรรมจะได้ไม่เศร้าหมองไปกว่านี้ถ้าทำต้องไม่กลัวอะไรเดินหน้าแล้วอย่าถอยหลังทำด้วยชีวิตและจิตวิญญาณ จงอย่าทำเพื่อชื่อเสียงลาบยศเกียรติสรรเสริญบริวารและความสุขส่วนตนอยากกระทำด้วยอำนาจแห่งตันหาความอยากใหญ่ทะเยอทะยานอยากเป็นหนึ่งเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นแนวทางของมารจงอย่าทำเพื่อสนองอำนาจกิเลสตันหาของตนและของผู้มาเป็นสิทธ จงรู้ไว้ว่วาพระพุธทธเจ้าพระอาหารหันต์พระโพระธิสัตว์และหลวงปู่ท่านสร้างบ ร, รมีบำเพ็ญทำมาไม่ได้เพื่อมาสนองอำนาจกิเลสปัญหาของใครแต่เพื่อบเรื่องสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปัจจุบั น, นและอนาคตให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมและบ่วงของมาร ทุกวันนี้ที่วุ่นวายปั่นป่วนทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะผู้ปฏิบัติวิชาธรรมกายที่บอกว่าเป็นสิทธิของหลวงปู่แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวของหลวงปู่ทั้งคารวะและปัญญาชิตกลับทําตรงกันข้ามไปปฏิบัติธรรมของมารมารส่งฤทธิ์ส่งสมบัติชื่อเสียงลากยศบริวารสารพัดเพื่อให้หลงไหลมัวเมาในตนเองสําคัญตนว่า เป็นผู้วิเศษให้หลงเข้าใจกันผิดๆว่าวิชาเจ๋งธรรมะดีต้องมีบริวารมากมีสมบัติมากทำอะไรต้องสำเร็จโดยไม่คานึงถึงความสุขมีข้ออ้างต่างๆเข้าข้างกิเลสเสมอนั่นแหละทางของมารเทให้สำเร็จได้สมบัติแต่เพียงหยาบๆของโลกแต่วิบัติอยูุภายในศีลก็วิบัติอาจารย์วิบัติ ทิฏฐิก็วิบัติพระสัตรธรรมก็วิบัติตกร่วงจากคําสอนของพระสอนมาสองพระเจ้าสําคัญแนวทางของมารว่าเป็นแนวทางของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ไม่ทําเหลี่ยมของมารกุลบุตรกุลธิดาผู้มาในภายหลังก็พล้อยหลงเข้าใจผิดไปตามๆกันธรรมะไม่เจริญก้าวหน้าสะดุดติดขัดวนอยู่ในท้องกระทับเพราะขาดเข่าเบาปรราัญญา มานขอเอาความสุขจอมปลอมต่างๆเข้ามาล่อเข้าใจอสัตยธรรมว่าเป็นสัตธรรมใช้อุบายสแสวงหาทรัพย์หาชื่อเสียงบริวารสนองตันหาความอยากใหญ่ของตนใช้อุบายเซฟมาควบคุมตนทำคนให้โง่เขารรา่าบอปัญญาช่างหน้าอัปะยศยิ่งนักเจอความลำบากเข้าหน่อยก็ถอยหลังยอมแพ้ เจอสิ่งยั่วยวนเข้าหน่อยก็หลงไหลมัวเมาเจอเสียงสรรเสริญยก tutoring, ย่องมีคนมาเคารพกราบไหว้ก็สำคัญตนว่าเป็นผู้วิเศษเจอลาบยศเกียรติเสียงเยืนยอเข้าหน่อยก็สนองกิเลสตันหาชาวบ้านจิตเวียนลงสู่ทางต่มหลงไหลอยู่ใน almond. สังขารธาตุสังขารฐานน่าอดสูใจนิ่มน้